ถ้าสมมุติว่าการตายที่เป็นอุบัติเหตุเช่นถูกรถยนต์ทับบีแบนไปกลางถนนหรือถูกตึกพังทับหรือว่าชาวไร่ชาวนาเดินอยู่ควายวัวมันขิดข้างหลังที่เดียวตายหรือว่าถูกระเบิดปรามนู ล, ลงมาอย่างนี้จะทำอย่างไรถ้าฉลาดสักหน่อยก็จะมองออกมองเห็นได้ด้วยตนเองว่ามันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละถ้าความรู้สึกมันเหลือนิดเดียว วับเดียวก็ให้รู้สึกว่าดับไม่เหลือสมัครดับไม่เหลือไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นเพราะได้ทำความรู้สึกดังกล่าวนั้นมาจนคล่องเคล้าชนานาดีอยู่แล้วเป็นปกติพอมาถึงขณะเช่นนี้ก็รู้สึกได้เพียงแวบเดียวแล้วก็ดับไปเช่นว่ารถยนต์ทับตายอย่างนี้ไม่ใช่มันจะตายทันทีไม่ใช่จะไม่มีเวลาเหลือครึ่งวินาทีให้เขารู้สึก มันต้องมีเวลาเหลืออยู่แม้เครื่องวินาทีหรือเศษหนึ่งส่วนสวินาทีสักขณะจิตหนึ่งพอรู้สึกแว บ, บหนึ่งได้ว่าสมัครดับไม่เหลืออย่างนี้ก็ทันถมไปถ้าสมมุติเอาเป็นว่ามันวูบเลียวไม่มีความรู้สึกเลยมันก็ดับไม่เหลืออยู่นั่นแหละเพราะว่าเราอยู่ด้วยความรู้สึกที่ถูกต้อง ว่าดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำยามปกติมาแล้วตามที่กล่าวและข้างต้นว่าเวลาปกตินั้นเราซ้อมความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นจนใจน้อมไปสู่ความดับไม่เหลืออยู่เองเป็นประจำทีนี้มันก็ดับไม่เหลือไปด้วยความรู้สึกอันนี้ แม้ว่าในขณะที่ถูกทําให้ร่างกายสลายแตกตายไปโดยไม่ให้โอกาสที่จะรู้สึกนึกคิดได้ยิ่งทํามันให้โอกาสที่จะรู้สึกนึกคิดได้สักขณะจิตหนึ่งหรือว่าเครื่องวินาทีอย่างนี้ก็คิดได้สบายเพราะฉะนั้นอย่าได้ขลาดอย่าได้กลัวอย่าให้ความคลาดความกลัวแทรกเข้ามาเช่นขอให้ไปตามหมอที หาไปโรงพยาบาลทีอย่างนี้แล้วก็ต้องตายตรงนั้นเองไม่มีประโยชน์อะไรและเรื่องอย่างนี้เขาถือกันว่าเป็นการตายโหงคือตายโดยไม่อยากจะตายและตายด้วยกระทันหันอย่างนี้บัญญัติคำเรียกกันว่าตายโหงธรรมะที่ประเสริฐเนี่ยมันป้องกันการตายโหงอย่างเด็ดขาดแต่ทำให้นิพพานได้ที่ตรงนั้น ที่ข้างๆล้อรถหรือใต้รถหรือใต้ตึกทับหรือว่ากลางทุ่งนาตรงที่ควายขิดหรือว่าในซากกองเท่าทานของลูกระเบิดอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีการตายโหงแต่มีนิพพานแทนควรจะซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้องไว้อย่างนี้สำหรับผู้ที่มีการศึกษาน้อยรู้น้อยกระทั่งเป็นตาแก่ยายแก่ที่ไม่รู้หนังสือ แต่ว่าฟังการพูดอย่างนี้ก็พอจะเข้าใจได้ส่วนการตายของผู้ที่รู้โดยสมบูรณ์มีสติปัญญาสมบูรณ์ศึกษาเพียงพอแตกฉานในปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนี้คือไม่ต้องมีอาการตกกระไดพลอยโจนเพราะว่าเขาเป็นผู้ไม่ตายเสียแล้วตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ยังไม่เจ็บไม่ไข่ ตั้งแต่ยังหนุ่มๆด้วยซ้าไปคือบรรลุคุณธรรมชั้นสูงเสียตั้งแต่ก่อนโน้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการตายถาว่าคนรู้ม า, มากอย่างนั้นพอถึงเวลาจะตายเข้าจริงๆเขาก็ยังมีการเตรียมดีกว่าพวกที่ตกกระใดพลอยโจรเขารู้จักตั้งสติสัมปชัญญะอย่างที่ว่าไม่มีความตาย ร้ยอยย่อความตายได้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นการดีที่ว่าเมื่อลงกระใดลงไปอย่างเรียบร้อยมิใช่ต้องตกกระใดแล้วพลอยกระโจนอย่างว่านี่เป็นเรื่องของผู้รู้สมบูรณ์แต่สำหรับผู้รู้น้อยนี้ควรจะฉลาดในการที่จะตกกระใดพลอยกระโจนนี่คือการปฏิบัติเพื่อว่างในวินาทีสุดท้าย